รือ ว, ว่านั่งสมาธิเมื่อนั่งยังไม่ได้สุขจากสมาธิก็มักจะได้ทุกขจากสมาธิทุกขจากการนั่งสมาธิไม่ครบจิตใจก็วุ่นวายเพราะไม่ได้สุขจากสมาธิแปล ว, ว่าใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายได้ ว, ว่า ก็ยังตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อไปเมื่อใดทุกข์ดังนี้ก็เป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหลอกเพราะฉะนั้นที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหลอกจึงมีได้อย่างนี้และแม้พระอริยบุคคลทั้งหลายละกิเลสได้บางส่วนจนถึงได้สิ้นเชิง ก็กล่าวได้ว่าท่านก็ได้สุขได้ทุกข์ได้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อท่านเห็นรูปอะไรท่านก็รู้ว่ารูปนี้งดงามรูปนี้ไม่งดงามได้ยินเสียงอะไรท่านก็รู้ว่านี่เป็นเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีเป็นเสียงเสรนเสิญเป็นเสียงนินทา เป็นเสียงดนตรีที่ว่าเพราะท่านก็รู้ว่าเพราะหรือเป็นเสียงด่าท่านก็รู้ว่านี่ด่าแม้ทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่เราถึงทางความคิดทางใจก็เช่นเดียวกันเชยเหนเดียวกันท่านก็รู้เพราะท่านก็รู้สมมติบัญญัติของโลกเราเป็นอย่างไรไม่ใช่ไม่รู้เหมือนดังพระพุทธเจ้าเอง บ้านเมืองที่สวยงามทั้งแตทรงทราบบาสวยงามดังที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเมื่อเสด็จผ่านกรุงเวสาลีในครั้งสุดท้ายก็จะเสด็จผ่านก็ยังหันพระกายไปทอดพระเนตรแล้วก็ตรัสบอกแก่พระสุทัทั้งหลายว่ากรุงเวสาลีนี้วิจิตรงดงาม จึงเรียกที่พระพุทธเจ้าทรงผันพระกายไปทอดพระเนตรเมืองเมสาลีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเป็นนาคาวันโลกทอดพระเนตรเหมือนอย่างงูที่กลับศรีรษะไปข้างหลังนี่วันนาคาวันโลกเพราะฉะนั้นแม้ท่านผู้สิงกิเลสแล้วท่านก็รู้ ตามสมมติบัญญัติของโลกรูปเหรียญกลินรสโพธิภพเรื่องราวอะไรที่สวยงามที่ไม่สวยงามที่ดีที่ไม่ดีที่หยาบที่ละเอียดท่านก็รู้แต่ว่าท่านไม่มีกิเลสอาสวะอนุสัยไม่มีกามาสาวะภ า, าวสวะอวิชชาสาวะไม่มีราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยอวิชคาอนุใสย เพราะฉะนั้นเมื่ออายจารณะภายในภายนอกมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นนี่แหละธรรมดานี่แหละแล้วก็เป็นสัมผัสมาเป็นสัมผัสก็เป็นเวทนาก็เป็นเวทนาธรรมดาไม่มีกิเลส ท, ที่จะฟุ้งขึ้นมาเจือปนเพราะฉะนั้นก็เป็นนิรามิตรไม่มีอมิตรเพราะฉะนั้นเวทนาของ พระอริยเจ้าทั้งหลายของพระอระหันต์ทั้งหลายจึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาไม่เป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักเวทนาเป็นสามตอนตอนนี้เป็นเวทนาทั่วไปตอนนี้เป็นเวทนาที่มีอา mith ม, มีกิเลสเจือ มีกิเลสเป็นเครื่องล่อกับตอนที่เป็นนิรามิตจากการปฏิบัติธรรมและที่ไม่มีกิเลสเจอือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อดังนี้และก็ได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่ตรัสสอนในทางวิปัสสนาดังที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นตรัสสอนให้พิจารณาสุขเวทนา โดยเป็นทุกข์ในข้อนี้ก็เพราะว่าสุขเวทนานี้ปกตินั้นสำหรับสามั ญ, ญชนย่ำนำให้เกิดราคะความติดใจยินดีเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้พิจารณาว่าโดยที่แท้แล้วตัวสุขที่เข้าใจว่าสุขนี้ก็คือทุกข์ ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องดับคือเป็นสุขสุขนี้ก็ต้องดับไม่มีสุขเวทนาอันใดที่ตั้งอยู่คงที่ได้ต้องดับดังนี้เพราะฉะนั้นตัวสุขจึงต้องเป็นตัวทุกข คือตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับเมื่อต้องดับก็ชื่อว่าเป็นทุกในอีกประการหนึ่งแม่สุขนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ต้องทนแต่ว่าทนได้ง่ายจึงเรียกว่าสุขแม้ทุกเองก็ต้องทนแต่ทนได้ยากจึงเรียกว่าทุก ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องทนทางนั้นแต่หากว่าหรือทนไม่ได้สุขก็จะไม่เป็นสุขเลย <c oughs> จะต้องเป็นอันตรายทางนั้นแต่ที่เป็นสุขนั้นก็เพราะทนได้และทนได้ง่ายสำหรับในภาวะที่พึงทนได้หรือที่ต้องการ ดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อนั่งอยู่ น, น, นานๆเมื่อก็ต้องลุกขึ้นยืนเมื่อลุกขึ้นยืนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่ก็ไม่เจ่หมายความว่าสุขเพราะยืนนี่จะมีอยู่ได้นานยืนอยู่สักครู่หนึ่งก็เป็นทุกข์ซะแล้วสุขหายไปแล้วต้องนั่งกันใหม่ หรืต้องเปลี่ยนเอยาบทอย่างอื่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นความสุขนี้จึงเป็นการสับเปลี่ยนกับทุกเท่านั้นแปลว่าเพราะมีทุกขจึงต้องมีสุขและเพราะมีสุขจึงต้องมีทุกขเหมือนอย่างเมื่อมีนั่งก็ต้องมียืนเมื่อมียืนก็ต้องมีนั่งเป็นคู่กันดังนี้เป็นต้นสุขทุกจึงต้องคู่กันอยู่ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าสุขนี้แหละก็คือตัวทุกเหล่านี้สําหรับทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นก็ตรัสสอนในพิจารณาโดยเป็นลูกศรที่เสียบแทงคือเหมือนอย่างลูกศรที่เสียบแทงทําให้เจ็บช้าเพราะฉะนั้นจึงให้ถอนลูกศรนี้เสีย ด้วยการที่การพิจารณาให้เห็นว่าแม้ทุกนี้เองก็ต้องเป็นทุกโดยที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงไปเช่นเดียวกันและถ้าหากว่ายึดเอาทุกไว้ก็คือว่านำเอาลูกศรมาเสียบไว้ที่จิตใจถ้าหากว่าไม่นำเอาทุกมาเสียบไว้ที่จิตใจกล่าวคือจิตใจ ไม่ยึดถือหรือจิตใจปฏิบัติตามวิธีพิทรงสั่งสอนเช่นว่าเพ่งดูตัวทุกขเวทนานั้นอันมันเกิดขึ้นให้รู้จักว่าอันที่จริงทุกขเวทนานั้นเช่นมันเกิดขึ้นที่เมื่อยที่ขาเมื่อยที่ขาขานั้นไม่ได้ใจแต่ ที่ไปเมื่อยที่ใจนั่นก็เพราะใจไปยึดเพราะฉะนั้นเมื่อใจไม่ยึดให้ทุกขเวทนาที่ขาก็อยู่ที่ขาไม่ใช่มาอยู่ที่ใจพิจารณาดังนี้เป็นต้นให้รู้จักแยกดังนี้ตามสมควรก็เป็นอันว่าไม่ยอมให้ทุกขเวทนานี้เป็นลูกสอนที่เสียบใจเรื่องลูกสอนออกจากใจเสียดังนี้ก็จะคลายทุกไปได้ไม่ยึดถือในทุก สวดอทุกขบสุขวัจเวทนาก็ตรัสสอนให้พิจารณาเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อหัดพิจารณาดังนี้หนึ่งเแล้วก็ตรัสว่าจะเป็นผููที่ประเสริฐจะเป็นภูที่เห็นชอบจะเป็นผููที่ตัดตัณหาได้จะเป็นผููที่เปรื่องสัญญตคือกิเลสที่ หกใจได้และจะทำทุกให้สิ้นได้เพราะตัดมานะความสำคัญหมายต่างๆได้โดยชอบต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าตรัสสอน เรื่องจิตตามที่ได้มีพระพุทธภาสิทธ์ตรัดไว้โดยชื่อว่าจิตบ้างวิญญาณบ้าง เพราะว่าการปฏิบัติอันเรียกว่าจิตตภาวนานั้นพระพุทธเจา้าภูพระอรมมศสสดาก็ได้ตรัสสอนไว้ซึ่งมี คำแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนคือผุดพอง ทั้งหลายที่เป็นอาคันตุกะคือที่จอดมามุทุชนภูมิได้สะดับแล้วย่อมไม่รู้จักกิตนั้น พระองค์จึงตรัสว่าจิตตภาวนาการย่อมไม่มีแก่บุถุชนภูไม่ได้สนับแล้ว และได้ตรัสไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนคือผุดผ่องจิตนั้นนั่นแหละ คนแล้วได้จากอุปกิเลสคือเครื่องที่เข้าไปหรือเข้ามาทำให้จิตเศ้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาอริยาสาวก ค, คือสิทธิ์ของพระอริยะ ผูประเสริฐผู้เจริญในสนับแล้วย่อมรู้จั ก, กจิตนั้นพระองค์ตรัสว่ากิสภาวนาการอบรมจิต ย่อมมีแก่อริยสาวกผู้สัดับแล้วดังนี้และได้มีพระพุทธภาสิทธตรัสถึงจิตไว้อีกเป็นอันมากเป็นต้นว่า ที่ไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้รักษาคุ้มครองแล้วเป็นจิตที่ไม่ควรแก่การงานย่อมเป็นไปเพื่อโทษไม่ใช่ประโยชน์ใหญ่ ส่วนจิตที่อบรมแล้วรักษาคุ้มครองแล้วเป็นจิตที่ควรแก่การงานย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ดังนี้เป็นต้นฉะนั้น การอบรมจิตรักษาคุ้มครองจิตฝึกจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญของภูปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเว้นจาก การอบรมจิตเสียไม่ได้และเมื่อได้ปฏิบัติฝึกอบรมจิตแล้วก็ย่อมจะได้ประสบ ประโยชน์ใหญ่ที่ตรัสไว้ประโยชน์ใหญ่นั่นก็หมายรุมถึงประโยชน์ที่ได้จําแนกเอาไว้เป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างยิ่งมากแต่ในการที่จะปฏิบัติอบรมจิตนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักจิตจะรู้จักจิตได้ก็จะต้องเป็นภูที่สนดับ คือสนับสรับฟังคำสั่งสอนของพระอริยะดังที่เรียกว่าอริยสาวกที่แปลว่าคูฟังแห่งพระอริยะ ภูพระบรมรมาศาสดานั่นเองทรงเป็นพระอริยะขึ้นพระองค์แรกและเมื่อได้ทรงแสดงคำสั่งสอนภูฟังคำสั่งสอนของพระองค์ ได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะตามพระองค์จึงได้เป็นอริยะตามพระองค์ขึ้นมาคำว่าอริยสาวกแปลได้อีกว่าสาวกคูเป็นอริยะ เึ่จะต้องสดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสตร์สดาที่ตรัดชี้แจงแสดงไว้โดยเฉพาะตรัดชี้แจงแสดงไ ว, ว่าจิตนระพัทธสอนคือผุดผ่อง จิตนี้นั่นเศร้าหมองไปพระอุปกิเลสทั้งหลายที่จดมาจิตนี้นั่นพ้นแล้วได้จากอุปกิเลส ท, ที่จรมาทั้งหลายก็โดยที่ปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนา ตามที่สและผู้ที่ได้สะดับรับฟังได้ปฏิบัติอบรมจิตจนจิตพ้นจากอุปกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายที่จอนเข้ามาได้แม้บางส่วนจึงได้ชื่อว่าอริยสาวกภูสะดับแล้ว เป็นผู้ที่รู้จักจิตและพระองค์กตรัสว่ามีจิตภาวนาคือการอบรมจิตฉะนั้นในเบื้องตน้นจึงต้องตั้งใจสนับรับฟัง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศ า, ศาสดาที่แสดงเรื่องจิตไว้ดังนี้ให้รู้จักจิตไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุท่อง ความผุดพองเป็นธรรมชาติของจิตจิตผุดพองโดยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นธรรมชาติทิปภัตรศอนคือผุดพองอยู่แต่ก็เศร้ามองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จอรเข้ามาจิตนี้ ธรรมชาติที่ผุดผ่องดังกล่าวและยังมีธรรมชาติอย่างไรอีกก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้อีก ราบรุษบุคคลทุกคนนี้มีธาตุหกได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลม อากาศาธาตุธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นี้ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ ให้พิจารณาธาตุห้าขั้งตนว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่พึงยึดถือ ว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นหรือว่าเป็นอัตราโตตนของเราและเมื่อได้ปฏิบัติพิจารณาธาตุข้ า, าขงต้นดังนี้วิญญาณธาต ก็ย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสอาจที่จะน้อมวิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ผ่องใสอันควรแก่การงานอ่อนควรแก่การงาน ไปเพื่อสมาธิอย่างสูงได้แต่ว่าเมื่อน้อมไปเพื่อสมาธิอย่างสูงนี้ก็ไม่ตรัสสอนให้ติด ถ้าไปติดเข้าก็ย่อมจะได้แค่สมาธิและผลหรือพบชาติของสมาธิอย่างสูงนั้นเท่านั้นในการที่ น้อมวิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ที่ควรแก่การงานไปเพื่อสมาธิอย่างสูงนี้ก็ตรัสชี้ว่าจะได้อุเบกขาคือความที่จิตสงบ ตั้งอยู่ในภายในกำหนดอยู่ในภายในรู้สงบอยู่ในภายใน